จะใช้ลมหายใจอืจะใช้ฟังบริกรรมนะแต่แนวในแนวของข้อเทียนถ้าจะเน้นเรื่องการรู้สึกกับการเคลื่อนไหวกนะารเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกการดึกกระทบเราก็รู้สึกนะคล้ายมีเคลื่อนมีหยุดให้เรารู้สึกทั้งสองส่วนเนะี่ยนแต่รู้สึกให้แบบรู้สึกสบายสบายนะรู้สึกแบบ เปรู้สึกตัวสบายสบายเวลาเคลื่อนเวลาอยุดเพราะว่ากียาบทพวกนี้ยมันมีตลอดทั้งวันเพราะเป็นยานที่สอนกียาบทที่ยัเป็นปกติมันต้องทําได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนอันนี้อาจจะตัดตอนนอนหลับในบ้างอันนก็นให้เป็นเรื่องพักผ่อนหรือให้เป็นเรื่องที่มันเป็นอัตโนมันติของเองเนาะดังนั้นเราเนี่ยลมหายใจใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออก ก็มีตั้งแต่เราเกิดอืจะท่า้งเราตายหรือแม้การเคลื่อนไหวก็เหมือนกันแต่ทั้งถึงเราตายนะเราถึงจเคลื่อนไหวไม่ได้ใช่ไหมอย่างน้อยแม้คนที่ทำมาเคลื่อนมาพาดเขาก็ต้องเคลื่อนไหวได้นิดนิดหน่อยหน่อแม้เคลื่อนไหวไม่ได้มากเหมือนคนปกติแต่ก็ยังมีการเคลื่อนไหวนี่คือเดี๋ยวบทที่พี่จะท่านสอน่ะคือเราสามารถทําได้แต่เอาเวลานา ไม่ใช่ป้าเราจะรู้สึกตัวแต่ตอนที่ฟ้าร้องบางท่านจะถ้าฝนไม่ตกไปเราก็รู้สึกปตัวไม่ได้อันนี้เราจะลองตื่นดูลอต่อตรงมือมือเราข้างฝวาก็ได้เนาะ mm hmm. เอาไปข้างหลังนิดนึมือข้างขวาก็าไปไหล่ไว้มือมือตอนนี้ กรรมหรือว่าแบอยู่แบบางคนก็อาจะกรรมออืคนข้างหลังบอกหรือเราดูเองดูเองนะอาจารย์ดูเองลองกรรมมือแล้วต้อนแบ่เหมลับไปเรื่อยๆพี่กรรมแล้วต้อนแบ่ ต้องหลับตามไหมจะหลับไม่หลับก็องมองไม่เห็นเนาะใช่ไหมตาแต่เรารู้ได้ไหมรู้ได้เนาะอะไรที่ทําให้เรารู้รู้สึกเวลามือกล้ามหรือกไปความรู้สึกนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากอะไรความรู้สึกนี้มันคือ ก็คือมันมีอะไรมันมีการมันมีการเคลื่อนไหว<ม>ใช่ไหมเช่นนะ้นเคลื่อนมันเลยมันเกิดการคล้ายเคลื่อนไหวมันก็จะเกิดการสารั่นสะเทือนจะถึงให้ให้ร่างกายมันรับรู้นะอืแต่ร่างกาบางทีเราก็เคลื่อนนะใช่ไหมบางทีเราเคลื่อนเช่นเราเดินน่ะเราก็เคลื่อนนะแต่บางทีมันมีการเคลื่อนแต่มันไม่รู้เพาอะไร ถ้าเราเปหมกมุ่นคุณนชินกับเรื่องอื่นใช่ไหมหมกมุ่นคุณนชินกับเรื่องอื่นอย่างเช่นเรากินข้าวเนี่ยเราก็ไม่สนใจนะว่าแต่ลงเคีเ้ยวข้าวอาหารจะรสชาติเป็นแบบไหนบางทีเราก็ไม่สนใจอนยะ่างเช่นเรากินไฟคุยไฟยิงทะเลาะกันไปด้วยกินไปด้วยเนี่ยใช่ไหมมันไม่รู้สึกถึงการกินไม่รู้สึกถึงรสชาติมันมีการเคลื่อนมีการสัมผัสแต่ถ้าอะไรสําคัญแต่ถ้าใจเรา ไม่รู้สึกกับสิ่งที่เรากาลังทำใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ตัวทั้นั้นอุปวัติศาสตร์ประัตตร์ษษของความรู้ตัวก็คือพูดผลตอบรับคือว่ามันลืมตัวนะลืมตัวไปอยู่กับไหนลืมตัวไปอยู่กับความคิดลืมตัวไปอยู่กับอารมณ์นะลืมตัวไปดูสิ่งภายนอกแล้วลืมกลับมาดูว่าตัวเรากำลังทําอะไรตัวเรากำลังรู้สึกแบบไหนนี่คือ นั่นคือการประวัติ์ของการรู้สึกตัวมีแค่นั้นนะที่จริงพวกเราแต่ว่าแค่เรากลับมาจากการหลงลืมตัวไปดูข้างนอกหลงลืมตัวไปอยู่กับความคิดเรากลับมารู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรเนาะการมือแบมือหรือกินข้าวหรือแปลงฟั่นใช่ไหมอันเนี้ยพอเรากลับมาแคนั้นนี่คือความรู้สึกตัวที่เราสามารถกลับมาทํำให้หมันได้นะอันนี้ยคือ พกเาทุกคนทําได้นะทาได้แม้แต่คนพิการนะลูกศิษย์หนุ่พ่อเขียนหนคะรับพิการตั้งแต่ช่วงศรีษะลงมาอาจารย์กาพลพองนุ่มนุ่มนะท่านก็นอนนะนอนพิมพมือได้ทีละข้าง <c oughs> พิกสองข้างมันเหนื่อย <c oughs> เพราะว่าเดินจนกลมไม่ได้นะพิกพ์แบบนี้อาจจะสักชั่วโมงหนึ่งเหนื่อยนะ พิชค้างซ้ายพิชค้างซ้ายเหนื่อย ไ, ไม่ไหวมาที้เมื่อยทั้งสองข้างม่วงก็่วงนะม่วงของเรานอนนี่มันก็เด่นๆทาทําปากแบบทำปากแบกบขมุกขมิบแต่ก็คือให้รู้สึกเวลาปากมันเคลื่อนเนาะปากมันเคลื่อนรู้สึกนะความรู้สึกตัวในที่นี้ก็คือว่าเอา กิเลสบทอะไรก็ได้กายวะไหนก็ได้แค่มีสายเคลื่อนไหวเราก็คอยรู้สึกเวลามันเคลื่อนไหวอีกนะแต่ถ้ามันจะมีรูปแบบถ้าพวกเราปกติธรรมดาแล้วก็มีรูปแบบให้นะแต่ก็เป็นรูปแบบไม่ใช่ว่าตายตัวนะแต่ก็เป็นรูปแบบคล้ายๆเป็นมาตรฐานเฉยๆเป็นมาตรฐานเพื่อพอเราทําแบบนี้ต่อไปความรู้สึกตัวนี้มันก็จะไปใช้กับอย่างอื่นได้นะ อนั่งสบายๆเนาะนั่งเอามือวางไว้ที่หัวเขา่าเนาะวางไว้ที่หัวเข่าอืมรู้สึกถึงความสบายนะใช่ไหม อ, มอมามาบอกแค่สบายเดี๋หายเองใช่ไห ม, มบางคนยืดขึ้นแล้วสบายขึ้นบางคนยืดไปทิ้งไปกระด้วงแผลเนาะอเอาให้สบายวางไว้ที่หัวเข่าแล้ววิธีที่เราทําเราจะไม่หลับตา เพื่อฝึกให้มันใกลเคียงกับเราจะไปใช้คิวประจำบันนะมองมองตรงตรงมองตําๆอะไรก็แล้วแต่นะแต่ให้มองแบบไม่ใช่ไปจ้องไม่ต้องจ้องที้ที่ส่วนให จ, จะมองแบบสบายสบายเนยะเหมือนถ้าเราถ่ายรูปมันไม่โฟกัสเฉพาะจุดแบบมองแบบสันทาร น, นะนะตามที่ของเขานาแล้วก็ ลพลิกมือขวาเนาะตะแคงรู้สึกตัวพลิกเดี๋ยวมือขวาตั้งขึ้นราพลิพกอ่านรู้สึกนะยกขึ้นมาพับมารู้สึกมือขวามาที่ท้องรู้สึกพลิกมือซ้ายตะแทงรู้สึกรู้สึกตอนไหนตอนเคลื่อนไหวนะยกขึ้นมาพับมารู้สึกวางทับมือขวารู้สึก มือขวาเลื่อนขึ้นมันเคลื่อนรู้สึกออกข้างข้ารู้สึกตั้งลงรู้สึกคว่ำรู้สึกมือซ้ายเลื่อนขึ้นรู้สึกออกข้างข้ารู้สึกตั้งลงรู้สึกคว่ำรู้สึกนี่คือมันเป็นสิบสี่ท่า เมือนที่พีจ่จันตุ้มท่านเทศเมื่อกี้ว่ามันคล้ายๆเหมือนบานพับมันคือไมเอาไม่ใช่ว่าคือดูแต่มานะมันแค่พลิกมือพับข้อมข้แขนมาแล้วก็พับลงที่ท้องพลิกมือซ้ายแล้วก็พับขึ้นใช่ไหมพับลงแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็ออกอลง ควาำมือซ้ายขึ้นแล้วก็พัดออกตั้งลงคว่ำเราไม่ต้องใช้ความพยายามมากแบบต้องยกทั้งแขนยกทั้งไหล่อะไรแบบนั้นนะแค่พับพั <c oughs> มันจะเป็นจังหวะนะแต่ลองทำโดยความกันหนนะ่อยะจังหวะนะนี้ที่จริงบางคนก็ว่าจังหวะแรกเริ่มต้นที่หนึ่งก็ได้หรือบางคนเริ่ ม, มจากการพลิกมือที่หนึ่งก็ได้แล้วแต่นะ รู้สึกตัวนะพับมายกขึ้นมารู้สึกวางที่ท้องรู้สึกพิกมือซ้ายพยับขึ้นมาวางทับมือขวามือขวาเด่นขึ้นขอข้างข้าตั้งลงหัวเ ข, าข่าค่่ำลงมือซ้ายเด่นขึ้นข้อข้า ง, างตั้งลงเ<ม>ข่า ความลงลองทําเดี๋ยวนะ้อจะจำไม่ได้ก็ดูอาจจะมาดูไฟจานตุ้มดูได้นะแล้วก็ทําตามคล้ายๆเหมือนเราเราออกโยกคะเราเต้นอาร์บิกนะบางทีเราก็ต้องดูคนนําทำแรกๆเราจําท่าไม่ได้ก็ทําตามเขาไปก่อนพอเราจําได้แล้วก็ทําของเราเอง แต่มีเทคนิคนิดหนึ่งอันนี้เป็นการฝึกในรูปแบบคือเรามีการเคลื่อนแล้วก็หยุดเป็นจังหวะ น, นะถ้าในชีวิตของเราบางทีมันเคลื่อนแบบต่อเนื่องแต่นี้เพื่อให้มันเกิดความชัดเจนเวลานะมันมีการหยุดเป็นจังหวะจะเกิดการรู้ตัวเป็นครั้งนี่รู้รู้ รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้ทำเลยแล้วก็รู้เป็นครั้งเมื่อกี้ลืมไปลืมอ่าไม่เป็นไรรู้ใหม่เครื่อนรู้ใหม่เมื่อกี้เผลอไปคิดอ่ะไม่เป็นไรอ่ะกลับมารู้ใหม่กรามันเคลื่อนใหม่หมนะแบบเนี้ยทํา<อ> หายใจสบายสบายมองสบายสบายแล้วก็ลองกลับมาดูตัวเองลองทำดูโยมทำไปก่อนวางพอสงสัยไปก่อนลองทำดู ตีต้องตีเราเรียนใหม่ๆนะต้องเหมือนเด็กอนุบาลนะโยมครูให้ขีดเส้น <c oughs> ขีดเส้นตรงขีดตีเดียมขีดวงกลมขีดไปทำอะไรอ่ะตอ น, น, นเด็กมันก็ไม่รู้หรอกฝึกไปก่อนเ <c oughs> ขียนกอไก่คอไข่เขียนตามรอยฝุ่นฝึกไปก่อนอ๋อโตขึ้นมาค่อยเข้าใจสิ่งที่ ทำไมพื้นฐานมันสำคัญ เอาเอาแค่ว่าให้เรารู้ตัวเองว่าเรากําลังทําอะไรนะรู้ผ่านความรู้สึกอย่างที่ทําตอนแรกเรากํามือแบมือเนะี่ยมันมีการเคลื่อนแล้วเรารู้ไม่ใช่ว่าเราไปคิดพูดตามในใจว่ากําลังยกมือกําลังวางมืออะไรนะไม่ต้องใช้ความคิดเอาความรู้สึกมันเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึก ยิ้ม น, น้อยก็ดีนะมันต้องม่เครียดมากนะสังเกตถ้ายิ้มนิ้นอยหายใจสบายขึ้นเราก็จะไม่เคร็ง ถ้ายมคนไหนจําท่าได้ลองทําตามจังจหวะของเราเลยนะอาจจะไม่ต้องดูแต่มามีความเร็วความช้าที่เรารู้สึกว่ามันพอดีกับเราจะให้มีการหยุดนิดนึงก่อนที่จะเคลื่อนเป็นท่าใหม่น ะ, ะไม่ต้องหยุดนานมากแต่ให้เวลาเคลื่อนก็ไม่ต้องเนิร์ฟเกินไปให้รู้แบบกระชับลองมันจะคิด ไม่เป็นไรกลับมาดูตัวใหม่นะลืมถ้าเมื่อกี้ลืมรู้ก็ไม่เป็นไรเรามีจะมีท่าใหม่ให้รู้นะแล้วก็อาจจะคอยสังเกตดูว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายมันเกร็งไหมกนะารหายใจของเรามันบางทีเราก็เกรง็งลืมตัวหายใจสั้นอึดอัดเนาะ หรือบางทีใบหน้าเราก็หน้านิ่งคือสมตินะมันตั้งใจไปนะเราก็ผ่อนคลายนะ ไม่ต้องหลับตามมองธรรมดายัร ja ู้สึกกนรู้สึก เวลาเราเีอยู่แต่ไม่รู้สึกนี่เราท่องฟังตัวเพื่ออะไรถ้าเรียบเทียบเหมือนเราเรียนหนันงสือเนอะอาะเราอ่านหนังสือเราฟังเลคเชอร์เรเกิดอะไรเรเกิดความรู้็นสิ่งที่เราได้อ่านในสิ่งที่เราได้เรียนะฉนนั้นก็กจะดี ว, ว่าเราก็ เก่งขึ้นเนาะแล้วก็เรียนเก่งหรือว่าเราต้องสอบรู้เยอะนอ่นก็เรียกว่าสมเก่งแต่ส่วใหญ่การศึกษามันจะเป็นเน้นสอบรู้ที่ภายนอกรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรก็ได้แต่อันนี้ก็เหกันแต่เราลองถามตัวเองฝากรู้ตัวเองดีหรือยัง เราอยู่กับตัวเองมาสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปีเนี่ยเราเรู้จักตัวเรามากม้อยขนาดไหนเรารู้จักตัวเรามากม้อยขนาดไหนก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็รู้นะอันนี้ไม่ดีแต่บางทีเราก็ห้ามไม่ได้กดไม่ได้ใช่ไหม อันนี้ก็รู้โกรธไม่ดีแต่ก็ทำไงมนก็ยังโกรธอยู่อ่ะเข้าใจไรู้ว่าอนเนี่ยมันเราทุกข์เราะเราไปแบกมันเองเราถึงมันแต่ก็วางไม่ได้เข้าใจไอันนี้บางทีเราก็รู้ด้วยตื่นทฤษฎีแต่ใจเรามันยังทําไม่ได้เข้าใจไหม เนี่ยการการทําของสืบตัวเนีราก็จะเริ่มต้นจะแบบทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะเหมือนเราอ่านหนังสือมากๆเราก็เก็บ น, นะแต่การรู้จักตัวเองเยจะทําให้เราฉลาดนะฉลาดในการรู้เท่าทันตัวเองสติเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคอย เ, เป็นตัวทาให้เราเท่าทันตัวเองนะมันเกิดขึ้นมาแล้วเราทันมันเนะี่นเองคล้ายๆเกือเสมือนกับ เวลาโจมันทําขิดขนะ น, นั้นตํารวจเห็นปั๊บทันทีเนี่ยมันจับได้เรียกว่าจับได้คันคาเขาจับได้คันคาเขาคือมันมีหลักฐานชัดเจนดิ่มไม่หลุดใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปตามจับเนี่ยมันยังต้องมีเตะรือื้นหลักฐานมีการอะไรเรยอยแยะมากมายอาจจะหุดก็ได้สตินี่ก็เหมือนกันสติ ที่เราเห็นนะ่มันจะเท่าทันที่ปัจจุบันปัจจุบันนั่นแหละมันเรียกว่าจับได้แขนงข่าวนะแล้วมันจะทำให้เราแก้ไขนะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดีแก้ไขสิ่งที่เป็นทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ น, ะนี่นี่คือผล น, นะหรือว่า สิที่เราทำํำมันจะได้ผนแบบนี้นคะรัะแต่อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดบางทีเราก็รู้มันดีแต่บางทีเราก็มันก็ขี้เกียจนะ <c oughs> เนาะขเกียจหรือบางทีเราก็อาจจะยังไม่เห็นค่าเท่าไหร่ตอนนี้เรายังไม่ทุกข์มากตอนนี้เรายังไม่เจ็บมากตอนนี้เรายังรู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยูอยู่อีกนาน หรือตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าวัดที่ปฏิบัติทำก็มีเยอะอยู่เราก็เลยไม่ค่อยได้มาทมเท่าไหร่แต่นั้นมันก็มาเป็นความคิดความรู้สึกแบบแบบที่เราต้องเหมือนเข้าข้างเข้าข้างกิเลสนะเข้าข้างตัวเองแต่ท้าเราดูดีนะในแต่ละวันก็มี สถิตินะก็บอกคนตายแต่ละวันประมาณสองแสนคนนะในโลกนี้นะแต่ก็เป็นเพิยงแค่คนโชคดีที่ยังไม่เป็นสองแสนคนเมื่อวานนี้เท่านั้นแต่เราจะเป็นสองแสนคนในวันนี้หรือเปล่าพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ม, มันไม่สามารถบางทีคนอายุน้อยอาจจะไปก่อนคนอายุมากมนคนแข็งแรงตายก่อนคนที่เจ็บไข้ที่ป่วยก็ดีใชเนี้ย เราลองทำไปแล้วก็ทีอย่างหนึง่งบางทีเราจะรู้สึกบางคนไม่ค่อยมีปัญหาชีวิตมากไม่ทุกข์มากเราก็ด้เห็นว่ามันก็เหมือนยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหรนะ่แต่บางครั้งเนาะบางคนพอเจอปัญหาหนักษณะขึ้นมาบางทีมันถ้าเราไม่เคยฝึกไว้ก่อนเน่ะมันออาไปใช้ยากใชหเหมือนเราทำไมต้องหาเงินหาทองต้องเจ็บ ขอมรอมดีไว้เมื่อข่าวจําเป็นเราก็ได้ใช้แต่ถ้าคนไม่มีเกจนะ์นะเมื่อมีข่าวจําเป็นก็ต้องไปกู้เขานะไปยืมเขาน้่มันก็ลำบากใช่ไห ม, อ, มอันนี้ก็เหมือนกันส ต, ติก็เหมือนกัน <c oughs> ข่าวข่าวที่เราไม่ทุกมากเราก็ต้องฝึกไว้ให้มันถวนาทำให้มันเป็นข่าวที่มันจํานะ เ, เป็นต้องใช้นะมันก็จะได้ผีใช้นะ แดดที่พลุกมากก็จะได้ขดลงมาพลุกน้อยลง น, นะนี่เอามาบอกอกับน้องแต่ที่เดือก็วันนี้เราก็จะได้ลองฝึกดูอันนี้ฝึกสิบสี่จังหวัดแบบ น, นี้เนาะ <c oughs> อันนี้เรียกสิบสี่จังหวัดแต่บางทีน้อก็โยมถ้าจะอยู่ที่อื่นนักโยมที่อย่างคลัตช่หนักก็ได้พลิกมือขวาคว่ำพลิกคว่ำไปคว่ำมาก็ได้เลย มาที่เราไปนแนะนำพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเราที่อายุมากนะ่าจะทำสิบสี่ท่าแล้วมันลืมนะเราก็่สอนให้ทำเนะี่ยพลิกมือหมายพลิกมือข้ามรู้สึกก็ได้หรือว่ากําแบรร์รู้สึกก็ได้คุณหมวยตั้งใจไปตั้งใจไป <c oughs> มันไม่เป็นธรรมชาตินะ ทำถ้าเราตั้งใจมากเกินไปมันจะทําไปสักพักหนึ่งมันจะทีถตันคือตันแล้วก็เหมือนเหนื่อยอ่ะคล้ายๆเหมือนเราขับรถก็มันเกรงขับก็มันมันเกรงมันไม่ปลอดไทยสักพักมันจะรู้สึกมือไม้เส้นเก็นเก้งหมดเลยใ่ไหมเราทำท่าไหนก็ได้นะแต่เราฝึกแบบเนี้ฝึกรู้สึกตัวการเสลื่นไหวเช่นมือนะ ต่อไปมือของเรากวาดบ้านนะคือการกวา่าคือการเคลื่อนไหวรู้สึกใช่ไหมเราถูสบู่อาบน้ํามีการเคลื่อนไหวถูกตัวรู้สึกทั้งการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยรู้สึกถึงการที่ร่างกายโดนสัมผัสด้วยเนะี่ยมันจงมีความรู้สึกตัวได้ใช่ไหมหรือที่จริงลมกระทบร่างกายมันรู้สึกได้นี่ก็คือความตัวอย่างหนึ่งครับน้อนงะที่จริง ทุกการเคลื่อนไหวอะไรก็ได้ที่มันมันเด่นมันชัดในปฏิบัติบังตอนนั้นมันก็คือความรู้สึกตัวได่เหนั้นบางทีเรายกมือสิดสี่จังหวัดอืมต่อไปมันหายใจที่จรมันหายใจตลอดนะแต่เมื่อกี้ตรงหายใจเข้ามันเด่นมวารู้สึกกับการหายใจแทรกเข้ามาระหว่างการเคลืนไหวมือก็ได้เหมือนกันนะอืมแต่ไม่ต้องว่าต้องไปประกอบกันนะทะา อายใจพร้อมยกนิ้ไปพร้อมให้มันประสานกันไม่ต้องนักก็ให้มันเป็นคนสวดให้เรารู้ตัวการขึ้งแบบนี้เป็นหลักอย่างอื่นให้เป็นเสะืเสริอเราเราเป็นเสะื่อเสื่อรู้ได้ไหมีหลงไปบ้างไหมมีไหมมียาวไหมไม่ยาวหลงไปไม่ยาวก็ อ, อะไรก็เรามีงานทำใช่ไหม เนี่ยคือเรามีตัวเนี้ยมาทามันจะหลงไปเมื่อเรามีงานทําตรงนี้นะเอะเราปัดมาหาตรงนี้นะแต่ถ้าเราไม่ว่าไม่ตั้งใจที่จะทํำตรงนี้ยบางทีก็ทําไปเพลินๆนะหลงไปก็หลงไปยาวก็มีนะใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งใจเพิ่มความตั้งใจเข้ามาหน่อยเนะี่ยมันก็จะหลงไปไม่ยาวเพราะที่จริงการปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติเพื่อให้มันไม่คิดเพื่อให้มันเรื่อว่าต้องจิตนิ่งสงบเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาตรงนั้นนะเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่ากายแล้วก็ใจตามความเป็นจริงเนะ่ะมันเป็นแบบไหนนะร๋อมันที่พระเจ้าสอนมันไม่เที่ยงมันเป็นแบบไหนมันเป็นอนัตตาเป็นแบบไหนนะ เป็นคุกขเป็นแบบไหนไปอ่านในพระไตรปิฎกอ่านในพระสูตรอ่านในก็ยังนตคมมันก็เข้าใจแบบนี้แต่ลองดูจริงๆนี่มันเป็นแบบไหนอันนี้มันเป็นปัญญานะอืมเราลองดูไปอะไรมันแสดงให้เห็น่ะลองดูมันนดังนั้นแล้วก็แค่ลองกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนะรู้สึกรู้เท่าทันนัางไปที่กำลังทงอะไร ใหม่ๆเนาะคนนะั้นมันใหม่ๆอย่าเพิ่งไปยุ่งกับความคิดนะมันจะคิดดีคิดไม่ดีรู้สึกอย่างไงอย่าไปจุ้มมันแค่รู้ว่ามันเผลอไป่ะกลับมารู้ตัวก่อนะเอาแบบนี้นะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปแบบพยายามวิเ am, รคราะห์หาเหตุหาผลทําไมมันถึงคิดทําไมมันถึงรู้สึกแบบนั้นอันนี้น่ทําไมไปคิดเรื่องอะไรดีทําไมไปสมบูรแล้วเนี่ยไม่ต้องไปทำํำไม แค่รู้ทันมันแล้วก็กลับมาเดี๋ยวความเข้าใจมันจะตามมาเองเดี๋ยวให้เราจะเปลี่ยนอย่าดบ้างนักโยมเอาที่ที่นั่งเล็กๆนั้นเอาวางไว้บนเบอกนะเอาวางไว้บนเบอกแล้วก็ให้มีช่องว่างระหว่างแถวแถวตรงที่นั่งนะแต่แถวเราจะเดี๋ยวจะได้เดินใน น่แบบนั้นนะอก็แบ่ล้วก็เอาเป็นแถวหน้า ให้สบายสบายยืดได้นะที่จริงกันบิดขี้เกียจก็เป็นการรู้สึกตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมตอนเราตื่นนอนใหม่ๆโอ้มันมันสะดืมสะดือนะแต่บิดขี้เกียจน่ะคือมันยืดเส้นยืดสายแล้วรู้สึกมันยืดเส้นนอันนี้คือมันทําให้เกิดการตื่นตัวขึ้นมานะขยับขยื่นเราเริ่มรู้สึกนั่นแะรู้สึกตัวเมื่อกี้เราฝึกกับการนั่งนะเราเราฝึก ยืนที่จริงสิบสี่จังหวะนะนะเราก็ยืนทําก็ได้โยนนะนนี้ยืนทําก็ได้หรือบางทีเราอยู่ในที่อื่นเช่นรอรถเมย์โยนรอรถเมย์รอรถไฟฟ้ารถรถแท็กซี่ไม่มาทักทีแท็กซี่เราจะคิดโอ้ oh, ทำไมไม่มาหรือทำไมไม่จอด <c oughs> แล้วก็รู้สึกเช่นเราอาดจะดคืนนิ้วเบาๆนะเอามือใส่กระเป๋าคืนนิ้วไปยังได้น <c oughs> ะ หรือท้บางทีเรานั่งเมื่อยลองยกมือแบบอาจารย์ตุ้นมาเนี่ยตดสี่จังหวะนะลองยืนทาก็ได้นะฮึไปจะวายนะยืนทาก็ได้ยกหมวเอามือบางไว้ต้งต้งตังตั้งนะเออถ้าเราเก็งไว้แบบเนี้ยมันจะเม็่อยอืมวางสบายๆนะวางสบาย บางทีเราปฏิบัติก็จะง่วงบางทีโยนยกคนนี้ก็กเปี่ยนท่าแล้วยกขึ้นวางไว้ตอนยกไต้องเปลี่ยนท่าเพิ่งยกขึ้นแทนที่จะครึ่งนึงก็อับเลยมาสุดๆแล้วก็ลองใหม่เปลี่ยนได้นะแบบบางทีเราก็ประยุกต์หรือบางทีนง่วงตกลงแรงลงไปมันจะตื่นใช่ไหมเหมือนเราปลุกคนอื่นตะกิตนิดนึงไม่รู้ตัวต้อง ทีแรงแรงตันะ้งไหนทีก็เนี้ยก็ดลแต่นะเอาเอาตามจังหวะขนาดนั้นถ้าจังหวนะนั้นมันรู้สึกเบาๆธรรมนาก็ยกท่าธรรมดาแต่บางจังหวะมันจะดึงซื้อมัน่วงนอนเออทำให้มันแบบธรรมะธรรมแดงกระซับกระเชิดได้นะในเรายกสิบสี่ท่าแบบนี้ก็ได้นะ เดี๋ยวเราเอาเก็บไว้ข้างข้ า, นะขางๆหน้าาำตัวหรือหลังลงตัวก็ได้น ะ, ะถ้าลองเดินอยู่แบบที่เดินอยู่แบบพี่เดินแบบไหนที่เรารู้สึกเป็นธรรมาชาติที่สุดเดินธรรมาชาติที่เรารู้สึกว่ามัน การจกเท้าการวางเท้าการเห็นตัวมันมันเป็นธรรมดาของเราถ้าเราเดินนะอยู่กับที่เราจะเดินแบบไหนนะองฟางเดินอยู่กับที่เราก็ให้รู้สึกเวลาเช่นเท้ายกขึ้นเท้าวางลงนะมันมีมันมีการสัมผัสนะการสัมผัสก็เป็นความรู้สึกตัวการยกขึ้นมาก็เป็นความรู้สึกตัว เราสังเกตไหมรา่างกายถ้าเราเดินอยู่ที่มันก็เอ็นซ้ายเอ็นขาวขาเวนี่ยอันนี้แต่ลองรู้สึกตัวไปทั้งตัวไม่ต้องมีจ้องแค่ฝ่าเท้านนะให้เรารู้สึกสบายๆรวมไม่ต้องจ้องที่ส่วนใดๆรู้สึกสบายๆยกนี่เป็นธรรมชาติรู้สึกง่ายๆธรรมด า, านๆอยู่ นองเดินมาข้างหน้าก้าวหนึง่งข้าง ส, สองข้างหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็ถอยล้างข้าวหนึง่งรู้สึกตัวหมันไปข้างหน้าข้าวหนึง่งไปหยุดลองเดินกลับไปกลับมารู้สึกอรู้สึกไหม เบิร์มั้งตาไปเองมองแค่ลังตงเลยมองธรร ม, มาดานะฮสายตาอุตส่าห์ดีๆนะสายตามไม่ดีเลยยังไปย่อยไม่ใส่แว่นที่มันชัดมากตาดีๆไปทำเบิร์เบอร์เสียคอาแบบทำสบายสบารู้สึกไหมเวลา เรไม่รู้สึกทตัวนะมันลองดูคนอื่นเขาเดินดูเหมือนดูคนอื่นก็าเดินลองสังเกตแค่ยืน อ, อยู่กับที่กตอนอลองขยับมาทั้งขวาอสองข้าวใช่ไหมรูสส้สึกข้าวซ้ายข้าวขวาแล้วก็ขยับน้ำซ้ายกลับะขยับแล้วก็กลับมันจี้ทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ย ลองซ้ายขวาดูดใช่ไรู้สึกไ้มทำให้เราฝึกแบบให้มันตัเวเจตธรรมชาติแล้วก็ ผ่อนคลายแต่ที่จริงมันต่างจากชีวิตเราที่เราต้องเดินอยู่แล้วตา่างที่เสียสิแต่เพียงแค่เอาใจมาคอยรับรู้มันแต่ก่อนเราทําแต่กิิยาแต่ใจเราก็เป็นคิดนั่นคิดนี่ดื้อรู้ตัวการปฏิบัติการภาวนาเพียงแค่เอาใจกลับมาอยู่กับตัวอยู่ตรงนั้นกับตัว ขับรู้ตัวแค่นั้นแหละนะทําแบบนี้จะได้โยนนะบางคนบอกที่บ้านมันแคบที่ห้องมันแคบเดินแบบนี้ได้ไหมเห็นไมเดินข้าหน้าข้างหลังก็ได้นะเห็นี่มไมมีที่นี่น้อยก็ทำนิดน้อยแต่ถ้าเรามีที่มากขึ้นนะเราจะเดินมากขึ้นนะให้ โยมนะที่อยู่ตรงนี้นะลองมามาจิดจิบปังตรงม่ับนะจิบฝัตงตัวมานะแต่แถวแต่ละแวเนียมายืนจิดปังม่าน ก, ก็ต้องหันหน้าไปทางางห้องนะ้ำเนะเฉลียเดีเ่ยแถวให้มันประเมินปําเมินแ่ในมก็จจันตุ้มนะอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะตรงใกล้โซฟาตรง แต่ไปจันตุ้มถ้าเดินให้เกือก่อนก็นได้นเยวนะไม่ต้องรีบนะไปจันฉันจะเดินมีเงินครับเด mm ิน hmm. ธรรมดาเนาะเก้าเก้าเท่าที่เรารู้สึ ก, ว, กว่าเมันสั้นยาวพอดีกับตัวเองนะก mm hmm. ้ายาวมากเราก็เหนื่อยเก้าสั้นมากเราก็เคร่งเหยนะครับใหมัพอดี mm hmm. ความเร็วความชา้าก็ยังพอดี กลับตัวนะก็อยู่นิดนึงอะแล้วก็เดินต่อมาเอาแบบที่เรารู้สึว่าถนัดว่าเราจะกลับตัวแบบไหนถหัดสังเกตพระอาจารตุ้มท่านหันหน้าไปทางโยมตลอดเลยจะเรียว่ากลับซ้ายทีอยไปทีมันจะได้ไม่เวียนหัวถ้าแบบกลับแบบวนๆบางทีถ้าเดินสั้นๆเนีน่ยมันจะเวียนหัวได้ง่ายนะ แต่ถ้าเราเดินยาวๆจะกลับอ่หันหน้าไปละด้านก็ก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้าเดินช้างก็กลับหันหน้าไปด้านเดียวกันมันก็เป็นเทคนิคช่วยให้เราไม่มียหัวเนะดินธรรมดาเนี่ยโยมเป็นแค่ตานิดนึงเจ็บมือแล้วก็ให้เป็นจังหวัดนะแล้วก็ลับตัวนะ เ, เ, เ, เดี๋ยวเราลองเดินไปฝุดตรงฝุดแถวของเราเนาะแล้วก็กลับตัวนะ แล้วก็เดินกลับมาอีด้านหนึ่งเดินเลยนะแต่ละแถวแต่ละแถวของเราก็ไม่เป็นกิจกระดับเลยนะแถวไหนกับตัวพร้อมก่อนก็ก็เดินก่อนะแถวไหนคนเยอะรอเพื่อนเยอะก็เดินกีดหลังส่วนคนที่กลับตัวก่อนเพื่อนยังไม่เต็บก็เดินย่างเท้ากีบกี้อยู่เป็นการสร้างความรู้สึกกับการเคลื่อนไหวของเราตลอด เรากลับตัวเสร็จแล้วแล้วก็ยันเท้าอยู่กับที่นะเดินอยู่กที่รู้สึกตัวคนสุดท้ายของแถวเรากลับตัวเสร็จแล้วก็เดินต่อแล้วก็เดินไปขหน้าต่อหลวงพ่อท่านบอกว่ามันอยู่หลายคนแต่เรทาทำตัวมันอยู่คนเดียว ตรงนเราจะมีสักสี่ติดคนแต่ไม่ต้องมีสนใจคนอื่นสนใจแค่รู้สึกถึงการเพื่อนของเราเองบางทีเราเพื่อนเราเพื่อนเดินช้าก็าอยากจะเดินเร็วอางทีความคิดเราจะไปว่าคนอาื่นเขาเดินช้านะเราก็จะรู้สึกว่าเราเดินดีกว่าแต่เรา ด, ด, ดูดูตัวเองว่า เรากำลังไปไปรู้สึกว่าภาษาภาดได้ต้องเพ่งพูดนอื่นะเราต้องเดินช้าทีมเราดึงกลับมาดูตัวเองว่าเราเปิดไปคิดคิดเรื่องของเขาแล้วเรากลับมาดูการเดินของเราแท น, เ ร, ทนแเรากลับมาดูทันว่าเรากำลังไม่พอใจแล้วเนะ น, นาะสมมตินะแต่โยมพยายามเดินให้เป็นธรรมชาตินะ ให้เรรู้สึกว่าพอดีพอดีของเรามันก็ไม mm ่เ hmm. กี่ยวกับความช้าความเร็วมันเกี่ยวกับว่าเราเคลื่อนแต่ลรขณะเรารู้ตัวไหมแต่ไมนต้องช้ามากเกินไป่ะเอาให้มันรู้สึกพอดีพอดีแล้วก็บางทีเราเดินเป็นแถวว่าให้ดูตัวเองมะดูการเคลื่อนของแต่ละ ปัสลาวะใจของเราเองนะอย่าไปคนอื่นไม่ใช่เป็นแบบไหนก็คือก็เป็นคล้ายๆจะรจับสะท้อนนะให้เราเห็นความรู้สึกของเราคนนี้เดินช้าเราไม่ชอบนะกลับมารู้ทันว่าใจมันมีความไม่ชอบนะแต่ไม่ได้ไปเบียดคนอื่นนะเราเปลี่ยนตัวเราเอง เหมือนเราเหมือนคนเราขับรถนะลัหนาขับช้าลัคนาขับไม่ดีเราไปขับแทนเขาไม่ได้หน้าที่เราคือเรารักษารถเราให้มันดีไม่ให้ไปชนเขาแต่ถ้าเรามุนหีบเราไ ม, ม, ม่หัวเราอาจจะเไปเชี่ยวไปชนคนอื่น ไ, ได้แนะนำขับมาตั ว, ตวเอง เรารู้สึกทีละขณะทีละขณะในการเดินก็รู้สึกพีละขณะแต่ไม่ต้องไปพูดในใจเนาะไม่ต้องมีพูดในใจว่าเท้าซา้ายหรือเท้าวขวานะยกขึ้นหรือว่าตามพันเนวหลงก็เตี น, ะนะ ท, นท่านจะเน้นในเรื่องการแบบไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องไม่ต้องพูดในใจ เอาความรู้สึกที่เป็นเป็นเรียกากิริยาของร่างกายที่มันโศงที่เกิดความรับรู้ในจิตใจนะโดยไม่ต้องใช้ภาษานะท่านพยายามเน้นให้ข้ามข้าสมสมุติบญญยายนะภาษานี่คือสมมุติบรรยายนะนะ ภาษาไทายภ า, าษาจีนภ า, าษาอังกฤษมันก็เรียกไม่เหมือนฝันนี่คือสุนุ๊กที่เราเรียกแต่กิริยาอาการเนี่ยจะชาติไหนภาษาไหนเนี่ยมันเป็นกิริยาเดียวกันเราไม่ต้องเรียกว่าเราเดิอเราไม่ต้องเรียกว่าเราเ ท, ท้าซ้ายเท้าขวาแค่รู้สึกถึงการเคลื่อนรู้สึกถึงการสัมผัสลงไปลองทำเตัวเนาะ อืม <c oughs>